จนตรัสรุ้ตามพระองค์ที่นี้ในที่สุดลำดับแรกเนี่ยนะสังขารทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยสังขารธรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอันดับแรกพระองค์ก็พุทธคสรีระคุณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ได้รับการอ บ, บรมมาสี่อสงไขยแสนกับก็รูปไม่เที่ยงเมื่อรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณจักเที่ยงมาจากไหน เพราะฉะนั้นร่างกายของพระองค์งก็มาจากผลแห่งบุญมันผลแห่งบุญก็ น, นะโดยปัจจัยอื่นๆเพราะวิโรธที่ปัจจัยเย็นร้อนเป็นต้นในที่สุดสรีระคุณของพระองค์งก็สลายไปดับไปเหมือนประเทศที่สิ้นเชือ้อเมื่อสรีระคุณดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้กระทั่งปัญญาคุณสีและคุณทั้งหลายก็คือสังขารขันเมื่อรูปสลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัพพัญญุตยานทั้งหมดถือว่าจบสลาย แต่พระองค์ก็บอกว่าถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรว่าพระองค์ล่วงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล่วงไปแล้วแต่ก็เหลือคำสอนเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายทีนี้าศาสดาก็าศาสดาคือคำสอนเนี่ยนะคำสอนทั้งหมดจะทากิจเป็นพระาศาสดาพระวินยัยพระสูตรและก็พระอภิธรรมแต่ละทำไมแต่ละแต่ละ แต่ละสูตรก็เท่ากับแต่ละธรรมขันธ์หรือว่าธรรมขันธ์หนึ่งบางสูตรได้หลายธรรมขันธ์ธรรมขันธ์แต่ละธรรมะขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพระองค์ปรินิพานผู้เดียวพระธรรมแปดหมี่พันพระธรรมะขันธ์จะทํากิจเป็นพระพุทธเจ้า8ปดหมื่นสี่พันองค์ตามพระ่ำสอนตอนแรกเนี่ยพระพุทธสรีระนี่ก็เริ่มหมดไปก่อนใช่ไหมรูปแต่ตอนนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เหลืออะไรพระพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุ เหลือคําสอนแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามคําสอนเมื่อการล่วงไปล่วงไปล่วงไปคนก็กําหนดจดจําคําสอนไม่ได้ก็เหลือว่าคนก็ค่อยๆลืมพระพุทธเจ้าไปทีละองค์สององค์ก็ลืมอะไรลืมพระพุทธเจ้าง่ายมากลืมพระธรรมสิะจําพระธรรมไม่ได้ก็ลืมพระพุทธเจ้าแค่นั้นน่ะถ้าจําอิติปิโสไม่ได้อิติปิโสเป็นพระธรรมคุณนะถ้าตอนสวดเนี่ยแต่เป็นคําที่กล่าวถึง พระพุทธคุณถ้าจําอิติปิโสไม่ได้แล้วจะจําพระพุทธเจ้าได้ยังไงอาจจะคนละองก็ได้เนี่ยนะเพราตอนนี้อะไรพระพุทธเจ้าจีนพระพุทธเจ้าที่ไหนมาเต้นไปหมดเลยตอนเนี้ยยุ่งมากไม่รู้องค์ไหนเป็นองค์ไหนแล้วตามต่างจังหวัดนะมีคนขายพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆมาเรื่อยแล้วเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆเนี่ยก็โหคนก็นับถือกันเยอะมากเลยนะพระพุทธเจ้ามาจากไต้หวันก็มีมาจากญี่ปุ่นก็มีเนี่ยนะไม่รู้องค์อะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็คนละองค์กัน มันหนักๆเข้าก็องเนี้ยก็ไม่ใช่แล้วเ น, นี่ยนะก็เริ่มหมดมันเ้าคนเนี่ยลื ม, ลมพระธรรมหมดแล้วพระวินัยก็เครียกว่าถูกโลกลืมอันนัทีนี้ถามว่าถ้านโลกลืมคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนน่าสงสารหรือว่าชาวโลกน่าสงสารกันแน่ก็เหมือนว่าดวงอาทิตย์ล่วงลับไปแล้วแล้วคนทุกคนมันมีแต่ความมืดดวงอาทิตย์น่าสงสารหรือว่าชาวโลกที่อาศัยอยู่ในโลกอันมืดมิดน่าสงสาร แต่เชื่อไหมทุกคนสงสารคําสอนแต่ไม่เคยสงสารตัวเองถ้าสงสารคําสอนเนี่ยตัวเองอ่ะน่าสงสารน่าสงสารอย่างไรน่าสงสารตรงนี้ว่าแล้วเราได้คําสอนอะไรบ้างะนะน่าตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านจะไม่ไม่ตกต่ำเลยละพอเราจะนับถือหรือไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ดีพระธรรมเราจะนับถือจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ความเป็นธรรมดีของพระธรรม ภาษาริบุตรพระโมคคลานะท่านจะไม่ตำแหน่งท่านจะไม่ลดเด็ดขาดเลยเราจะนับถือท่านไม่นับถือท่านท่านก็เป็นคงเดิมของท่านพระอริยเจ้าระดับล่างๆมีแต่สูงขึ้นจะไม่มีตกต่ําอีกแล้วแต่ถ้าในโลกของวิสัยปุตุชนทั้งหลายละ่ะไม่นับถือพระัตนะไตรยไม่น่าสงสารหรอกแต่สัตว์ทั้งหลายน่าสงสารเพราะฉะนั้นคนต่อต่อไปเรียกอันตรธานสามอันดับแรกปริยัตอันตรทานอันดับที่สองปฏิบัติอันตรธาน อันดับที่ขอให้อันดับแรกปริยัตขอให้ปฏิบัติอันตรธานปริยัตอันตรทานแล้วก็ธาตุอันตรธานอันตรทานสประการด้วยกันนะในอัตถคถาปหุทาตุกสูตรอนุบาตวักเนี่ยนะอนุปตะวักเนี่ยในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาที่กล่าวถึงอันตรธานสาอย่างที่จริงลำดับแรก ปริยัติอันตรทานเนี่ยนะถ้าเรียงตามคัมภีร์บอกว่าปริยัติอันตรทานอย่างที่สองปฏิบัติอันตรทานเออเข้าไปปฏิเวทอันตรธานอย่างที่สมก็ปฏิบัติอันตรทานท้ายที่สุดก็ธาตุอันตรทานเนี่ยนะตอนนี้ก็อะไรเริ่มอันตรทานแต่เยะบอกปริยัติเริ่มอันตรทานละปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเป็นของคู่กันเหมือนอย่างว่าถ้าคนไม่รู้จักศีลจะรักษาศีลไหม ถ้าคนไม่รู้จักสมถาวิปัสนาจะเจริญสมถาวิปัสนาไหมการเจริญหรือความรู้อะไรสําคัญกว่ากันสําคัญทั้งคู่นั่นแหละถ้าบอกว่าถ้าหากว่ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็าตาบอดถือปฐีดนั่นนะแต่คนตาบอดแต่ถือแสงสว่างเอาไว้เนี่ยนะคนให้คนตาบอดถือแสงไฟเหมือนกันเถอะแต่ถ้าหากว่ารู้ด้วยปฏิบัติด้วยอันนี้เขายกย่องมาสมบูรณ์แบบเหมือนกันเถอะที่นี้ ตัวสาระสาคัญที่สุดเนี่ยถ้าหมดความรู้แล้วใครจะปฏิบัติถ้าคนไม่รู้จักโคจะนับจะเลี้ยงโคถูกไหมชนเหล่าใดไม่รู้จักโคก็เลี้ยงโคไม่เป็นฉันใดพระพิสุทธ์ที่ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักวินยัยก็รักษาวินัยไม่เป็นฉันนั้นเนี่ยนะก็ได้แต่โอเจ้าของฟาร์มววโอวัวข้าพเจ้าเยอะแยะไปหมดที่ไหนได้เลี้ยงอะไรก็ไม่ทราบนะที่ฟาร์มอาจจะเลี้ยงหนูก็ได้เนี่ยเต้นไปหมดเลยเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่โคก็ได้ พันชนผู้ไม่รู้จักโคเลี้ยงโคไม่ถูกฉันใดผู้ไม่รู้จักศีลก็รักษาศีลไม่ถูกฉันนั้นคนที่ไม่รู้จักพร ะ, ะธรรมละ่ะจะรับปฏิบัติตามธรรมได้อย่างไรมันบางคนคําพูดที่เชื่อถือไม่ได้เลยก็าบอกเขาเป็นนักปฏิบัติเขาไม่รู้คําสอนเขาไม่ต้องการครําสอนแต่เขาต้องการปฏิบัติก็ เราก็อย่าไปเถียงเขาเลยเพราะเขาปฏิบัติของเขาอ่ะนะปฏิบัติในวิชาของเขาหลักการของเขาเราจะไปเรียอะไรนะสงสารตัวเองเธออย่าไปเสียเวลาคุยตรงนั้นเลยเขาไม่ได้อยากรู้หรอกก็บอกว่าถ้าคุณดีจริงคุณต้องมาปฏิบัติแบบเขาสิเพราะกลายเป็นว่าถ้าเราพูดคําสอนคนที่เขาเขาเป็นนักปฏิบัติเขาบอกว่าเราเนี่ยน่าสงสารเพราะเรารู้แต่เราไม่ปฏิบัติเขาจะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่รู้ใครสงสารใครเนี่งงไปหมดเลยตอนหลังอ่ะนะ หนักๆเข้าไอ้คนมีความรู้มันน่าสงสารหรือว่าไอ้คนนี้ไม่รู้อะไรเลยทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ต้องมาทําแบบฉันไม่รู้ใครมันน่าสงสารก็เลยงงไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้ใครโปรดใครนะคล้ายๆกับบอกว่าเคยไปคุยกับโยมฮะโอ๊ยไปงั้นเน่ะท่านอย่าไปเข่งนักเลยเนี่ยไม่รู้ใครโปรดใครก็ไม่รู้หนักงงไปหมดแล้วคันนียไม่รู้ว่าใครโปรดใครพระโปรดโยมหรือวโปรนโปรดพระนะหนักๆเข้าไปด้วยโยมสงสารพระหรือว่าพระสงสารโยมเลยงงไปหมดแล้วคันนีย ไอ้คนรู้กับคนไม่รู้ไอ้คนรู้ก็บอกว่าไอ้คนเรียนมากมันน่าสงสารไอ้คนเรียนมากแล้วต่างคนก็ต่างจะแก้ไขอีกฝ่ายหนึ่งนะก็แปลว่าอะไรก็แต่งตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งันอยู่ตลอดเลยเนี่ยนะอีกคนหนึ่งอยากแต่งอีกชุดหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เอาชุดหนึ่งมาสวมให้ก็แต่งตัวให้แก้ไขกันอีกคนหนึ่งก็มาแก้ไขเราแก้ไขเขาเขาแก้ไขเร า, าได้อะไรขึ้นมาได้เวนสิทะเลาะกันมากไปมหาสารก็ได้แต่เวนมิจชาวาจากัน เนี่ยท่านน้ำลายไม่รู้จักอันตรธานใสามันกองท่วมหัวกันหมดแล้วอันนั้นน้ำลายที่กระสานกระเซ็นไว้ในโลกมันกองท่วมไปหมดแล้วทะเลาะกันอันนอกุศลจิตทั้งหน้าเนี่ยนะทีนี้ต่อไปเนี่ยปริยัติก็ทีแรกปริยัติก็ค่อยๆถูกลืมขึ้นอันนพระพิธรรมอภิธรรมก็ค่อยๆหมดไปพระสูตรก็ค่อยๆอันตรธานไปเนี่ยนะพระที่จริงมันก็ค่อยๆอันตรธานมาโดยลําดับนะแต่ถ้าโดยทั่วๆไปก็จะพูดแบบใหญ่ๆก่อนเลย อภิธรรมจะเสื่อมก่อนต่อมาก็พระสูตรที่สามพระวินัยเสื่อมอันดับสุดท้ายพระอภิธรรมเสื่อมก่อนก็ไล่มาทั้งอ่ะแปลว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะพูดคิดง่ายๆเลยก็คือว่ามันเสื่อมตั้งอ่เล่มสุดท้ายมาก่อนว่างั้นเถอะอุ้ยใครอ่านพระไตรปิฎกในขึ้นต้นมาจับเล่มสุดท้ายแล้วก็วางแล้วเก็บหนังสือกลับบ้านนอนละเล่มสุดท้ายมันมีแต่เ ป, ปะก้าวรอก้าไปออยานมันมีเท่านั้นจุดจุจุดมันก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆอ่ะ ไม่ห็นท่าท่านพูดอะไรเลยหนักหนักเข้านี่อภิธรรมบางเล่มไม่มีภาษาไทยอยู่เลยเขียนเป็นภาษาไทยแต่เป็นบาลีทุกคําเลยนะและเป็นศั์สมัดทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเป็นสับชนชนชนชนชนบาลีเนี่ยยาวครึ่งบรรทัดอย่างเงไม่รู้ท่านว่าอะไรของท่านอมข้อความอย่างคําเดียวเนี่ยักใช้หนังสืออธิบายสามเล่มยังเงแล้วเอาคําเหล่านั้นมาต่อต่กันเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยก็เลยเห็นนั ง, ง่วงเลยแบบนั้นก็เลยหมดเลยครั้งนี้เอาเชื่อ ไปดูตู้ไหนก็ตู้นั้นแหละเล่มท้ายๆนะใหม่เสมอเก่าแต่ปกที่เก่าเพราะย้ายไปย้ายมา น, นะย้ายตู้ย้ายที่วางย้ายที่เก็บเนื้อในใหม่เสมอกระดาษก็ยังคงติดพื้นกันอยู่ดีอนะมั น, น, นติดจนไม่หมดนะเชื่อเขามาว่านะใครที่อ่านจริงๆใ น, นนี้ถึงสาคนหรือเปล่ามันเล่มท้ายๆนะไอเปิดก็เปิดดูนะเปิดดูบ้างคลิกพลิ ก, ก, ก, กแต่ว่ามานั่งอ่านอ่านก็มาอ่านไม่ได้อยู่แล้วละเชื่อไม่มีความรู้พอที่จะอ่านได้ มันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยนะไล่ต่างๆเล่มสุดท้ายก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนักๆเข้าก่อนไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้เออแล้วพระพุทธเจ้าบอกโอ้โหทุกคนบางทีเรียนกันเยอะๆเลยไหมะเอะตกลงว่าลงรายละเอียดรู้ทุกคําเลยนะวิจัยสระระสระสระอีสะอีรู้หมดเลยตกหลงพุทธเจ้าบอกอะไรเราบอกไม่รู้อะไหนะบอกว่าวันนี้อย่างวันนี้เรามานั่งเรียนทั้งวันเนี่ยตกหลงเนี่ยอยากให้รู้อะไรอย่างมากไหมเข้าใจาได้ไหมแต่ว่ายังไม่ต้องตอบก็ได้เนี่ยนะให้เวลาไปตอบกันเองแล้วกัน ให้คะแนนตัวเองนะ่ยนะว่าสมควรจะได้รับประกาศนียบัตรหรือควรจะซ้ําชั้นหรือควรว่าจะเลื่อนชั้นจะอะไรก็ให้คะแนนตัวเองก็แล้วกันว่านะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งบางทีเรียนไปเรียนมาเออเนาะตกลงพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อะไรกันแนะ่หรือให้พระ อ, องค์อยากให้เรารู้หรือพระ อ, องค์ให้เรามีความรู้ พระองค์ต้องการให้เรามีความรู้คือสัมมาทิฏฐิแต่ว่าไม่ใช่มรคเดียวนะจริงๆและคําสอนทั้งหมดพระองค์สอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเราฟังทำศึกษาประถรรมแล้วถ้าได้มรค8ดเนี่ยนะข้อๆแล้วได้สาระคือมรค8ดไปเนี่ยแต่ว่าถูกต้องเหมือนใครเรียกว่าบทภูเขาทั้งลูกเพื่อโมโหาทองคำเนี่ยนะหาเพชรหาพลอยหาอะไรก็ได้สาระอยู่ตรงนั้น ไอ้ภูเขาหินมันจะกี่ลูกกี่ก้อนก็ช่างเถอะโครนมันจะกี่น้ำหนักกี่ตันก็ช่างเถอะแต่ว่าเอาเม็ดเอาเอาพลอยเอาเพชรเอาอะไรที่ที่มาจากที่นั้นเอาทองคําเป็นต้นฉันใดศึกษาคําสอนก็สาระจริงๆได้อะไรได้ความรู้สองได้ความคิดได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิได้ความคิดหรือได้สัมมาสังกัปปะแล้วก็ได้วิธีพูดที่ไม่บาปเหมือนกันเถะสัมมาวาจาได้ทํำยังไงจะไม่บาปเป็นสัมมากรรมันตะใช้ชีวิตยังไงอย่างไม่เพื่อนบาปเป็น สัมมาอาชีวะโดยที่เลี้ยงชีวิตอยู่ได้ขยันยังไงแล้วได้บุญตลอดแล้วละบาปได้เป็นสัมมาวายามะสติคือไม่เผลอไม่เบลอไม่เลอะเลือนเนี่ยนะอันนะไม่ใช่วโอ้ยมาจากไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยอะไรเป็นอะไรวุ่นสับสนไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเบลอแล้วละ่ะไม่มีสติเรียกว่าประมาทแล้วสมาธิแล้วงานเนี่ยตื่นตูมเลยใช่ไหมตื่นตูมตื่นเต้นแต่สมาธิเนี่ยตรงกันข้ามแต่ตื่นตูมกับตื่นเต้นแปลว่าสงบแต่ไม่ใช่นั่งหลับเลยนะ ไม่ใช่นั่งหลับเพราะสมาธิไม่ได้แปลว่าหลับแปลว่าไม่ฟุง้งซ่านแห่งจิตนั่นนะทีนี้แล้วมัรแปดเนี่ยได้ไหมถ้าได้นั่นแหละทั้งหมดแล้วได้คําสอนที่เยอะพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมพระพิธรรมพระสูตรพระวินยัยไล่ขึ้นไล่ลงยังไงก็ศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จะพูดใช้พยัญชนะไม่จํากัดเพื่อให้เรามีศีลใช้คําพูดพยัญชนะไม่มีปริมาณ เพื่อให้เรามีสมาธิใช้คำพูดไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เปลืองไม่ประหยัดถ้อยคำเลยเพื่อให้มีปัญญามันถ้าจะพูดมากกว่านี้แล้วให้ปัญญามันเกิดได้พระองค์ก็คงทำแต่ว่ามันก็มีอยู่เท่านี้แหละวิธีการที่จะให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาพันธสารทั้งหมดก็คือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งศีลสมาธิปัญญาแปลมาเป็นอีกแปลศีลสมาธิปัญญาสรุปมาเรียกว่าศาสนา เป็นศาสนาศาสนาคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคืออะไรคือปีดกแล้วปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตามเหล่านั้นเรียกว่าปฏิบัติติศาสนาหนักๆเข้าคนไม่เข้าใจปริยศ า, าสนาก็ไม่เหลือปฏิบัติติศาสนาไม่รู้จกักศีลก็จะไปรักษาศีลอะไรเอาเอาเข้าเอาไปเอามาอย่างปัจจบนนุบันในรักษาศีลข้อที่หนึ่งคืออะไรคือไม่ทําอะไรเลยโอ้นี่เลอศีล บอกเขาไม่ใช่มิจฉาวาจานะเพราะเขาไม่ได้ด่าใครประั้นอะไรคือศีลกันแน่บอกเขาเขามีศีลตลอดเลยหลับก็มีศีลตื่นก็มีศีลโอ้ยกายนิพพานเข้าไปแล้วละเชื่อเถอะนี่เขาทาอะไรนะเขามีสติสัมปชัญญะเขารู้ตัวหมดเลยเออใช่ความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิสติเนี่ยความรู้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิสติเนี่ยเป็นสัมมาสติก็คุณกําลังปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาแม่นั่งเนี่ยยอมรู้ตัวไหมตอนเนี้ยรู้ แสดงว่าใกล้นี้ผ่านเข้าไปแล้วสิไม่รู้ก็งั้นเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะต้องพยายามจําแนกให้ดีๆนะว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นมัคอยู่จริงหรือเปล่าเป็นไปตามคําสอนไหมสิ่งที่เราทําต้องกลับไปตรวจกับคําสอนคําสอนไม่ได้นับถือการปฏิบัติของเราเป็นสาระแต่การปฏิบัติของเราถือเอาคําสอนเป็นสาระการปฏิบัติอนุวัตตามคําสอนอย่างเดียว น, นะก็เหมือนอย่างว่าการเดินทางเนี่ยถูกหรือผิดถือเอาแผนที่เป็นประมาณใช่ไหม ไม่ใช่ถือเอาการแหม่เนี่ยวิ่งตอนเนี้บอกอุ้ยมาอย่างเร็วมากเลยนะร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เคยอ่านแผนที่เลยนะแล้วไม่อยากรู้ด้วยเดยแล้วไปเลยร้อยแปดสิบกิโเมตรต่อชั่วโมงแหมมันโล่งจริงๆรถไม่ติดเลยก็ว่างั้นอ่ะอุ้ยเร็วจริงๆเลยนะน้ํามันก็เต็มถังไปหมดแล้วยียบไม่ต้องดูหน้าดูหลังเลยโยมมาถึงไหนนะไม่รู้อะถ้าคอยกลับมานี่คูณสองถ้ากลับได้นะคูณสอง หมายคำว่าถ้าคุณไปเลยไปร้อยกิโลเมตรเนี่ยต้องขากลับมาอีกร้อยกิโลเมตรบวกบวกบวกเรื่องอื่นอีกบวกค่าเสกเรือบวกค่าอย่างอื่นอีกจิบปาถะคูณสองเกือบทุกเรื่องอาจจะคูณ3ามเลยซ้ําไปถ้าหากว่าไปพลาดแล้วอยู่เทินกลับมาใหม่เนี่ยนะเสียเยอะมากเนี่ยนะถ้าผิดแล้วอะไรผิดถูกล่ะพั้นพฤติกรรมที่เราทําอยู่ต้องอนุวัตตามคําสอนพันผู้ทำมังสรารนังขะฉ า, ามิจึงหมายถึงคําสอนไม่ใช่หมายถึงการปฏิบัติของเราการปฏิบัติของเร า, า, ร ต, เราต้องถือเอาคําสอนเป็น สารณะแต่สารณะจะไม่ถือเอาการปฏิบัติของเราเป็นประมาณเนี่ยนะแต่ตัวพ่อยังต้องเช็คให้ดีๆนะว่าสารณะคือพระธรรมหรือว่าการกระทําของเราถ้าการกระทําของเราเนี่ยเป็นไปตามคําสอนเอาเป็นสารณะได้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามคําสอนทิ้งซะ